พระพุทธเจ้ายังสอนให้เราพึ่งตัวเองไปหวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่รํำไปไม่ถูกต้อง <c oughs> คนเราต้องช่วยตัวเองคนอื่นใครเราจะมาช่วยเราได้ในเมื่อเรา ไม่ฝึกตนไม่ทำตนให้เข้มแข็งแล้วมันก็เอาชนะกิเลสตัญหาไม่ได้อัตตาหาเวชิตังเสรโยพระพุทธเจ้าแสดงไว้จงเอาชนะตนด้วยตนเองหรือว่าการเอาชนะตนนั่นแหลเป็นดี นี่กว่าเอาชนะสิ่งอื่นพอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นทุกคนต้องพยายามเอาชนะตนเองให้ได้เอาชนะตนเองหมายความว่าเราดัดตนให้เข้ากับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ เรียกว่าบังคับตนใส่ข้อวัดปฏิบัติเรามีหน้าที่จะพึ่งปฏิบัติอย่างไรในระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การไหวพระสวดมนต์ก็เคยอธิบายฟังมาแล้วว่ามันเป็นอุบายฝึกตนอบรมตนอย่างหนึ่ง เช่นอย่างนี้มันทำให้ตื่นดึกลุกเช้าขยันในข้อวัดปฏิบัติมันก็มีผลดีต่อตัวเองอย่างนี้บางคนถ้ า, ถาหาว่าไม่มีการทำวัดสวดมนต์แต่หัวลุ่งอย่างนี้นอนไม่รู้จักตื่น จนไม่มีเวลาจะได้นั่งสมาธิภาวนานอนหลับนอนไหลเอาจริงจังนี่น้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ฝึกตนเลยแบบนั้นได้แต่ น, นอนอย่างเดียวอ่ะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละการทาวัดตรวดมอนทั้งเช้าทั้งเย็นนะจึงชื่อว่า มันเป็นอุบายฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งไม่ให้อ่อนแอเริ่เสียแต่โรคภัคยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเอาไม่มีกำลังที่จะเดินเหินได้หรือนั่งให้นานก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเป็นอีกเรื่องนึง่งเรื่องอาภพาตแล้วนะมันเป็นธรรมดา มันก็ต้องเว้นถ้าไม่อาภาก์แล้วร่างกายปกติไม่ควรที่จะให้ขาดทำวัดสูตรมนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้เพราะคนทุกวันนี้อุปนิสัยวาสนามันน้อย มันไม่แก่กล้าเหมือนหนึ่งครั้งพุท ธ, ธาการข้ังพุท ธ, ธาการนั้นก็มีคนตั้งสามประเภทนู่นไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทหนึ่งพอได้ฟังคำสอนของพระศาสดาบาปะคาถาเดียวท่านก็สำเร็จอรหันแล้วประเภทที่สอง พอได้ฟังคำสอนของพระ อ, องค์ยกหัว ข, ข้อขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมควรจบลงก็ได้บรรลุอรหันต์ประเภทที่สามนั่นนะพระ อ, องค์ได้ทรงแสดงธรรมไปได้ฟังทมได้รู้จักแนวทางปฏิบัติ แล้วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติตามเสียก่อนจึงจะได้สาเร็จมรรคผลธรรมวิเศษในภายหลังถ้าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกทนตนทรมานตนเสียก่อนอย่างนี้แล้วก็สาเร็จมรรคผลไปไม่ได้ชมพประเภทที่สามนี่นะนนเพราะอะไรเพราะอินทรีย์อ่อนโย ท่านยังแสดงไว้ว่าบางท่านก็สําเร็จมรรคผลเวลาจวนจัดชิ้นซีบทําลายขันนั่นก็มีอยู่มากมายนี่คือว่าท่านรู้ในทางปฏิบัติแล้วท่านบุพพิตรปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยอินทรียบรมีนไปแก่กล้าเอาเข้าขันเอาตอนที่จะสินส้นซีบทําลายขันนั่นแหละ ท่านก็จึงได้สำเร็จมากพ้นขันใดขั้นหนึ่งกันเข้าใจความเป็นมาแห่งชีวิตของตนถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างว่านี้เดีวผู้นั้นก็จะไม่นิ้งนอนใจจะพยายามประพฤติปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปในข้อปฏิบัติที่ มีระเบียบวางไว้อย่างไรพยายามทำตามระเบียบนั้นให้มันทันกับการกบเฟลาอย่าได้ทำตนเป็นคนอืดอาดยืดจยัดทำอะไรไม่ทันกับเรล่งเวล า, วลาอย่างนี้นะมันเป็นนิสัยที่เฉยชาทิชชันิสัยไม่ว่องไวไม่เข้มแข็ง ไปถึงจิตใจนนมันอ่อนแอเบ่งนันต้องให้เข้าใจแล้วก็อย่าไปชอบคุยกันชุมนุมกันในเวลาค่ำคืนอย่างนี้ไม่สมควรนะพอมีระเบียบไว้แล้วตอนค่ำลงแล้วเลิกจากธรรมวัดสวดมนต์แล้ว ให้ต่างคนต่างทำความเพียรของใครของเราอย่าไปมัวสมกันบางทีไปคุยกันอีหลงชงเฉยงส่งเสียงดังหรือกระทึกคืบคมไปทำร้ายความสงบผู้ที่ต้องการความสงบก็สงบไม่ได้อย่างนี้นะไม่สมควรเลยนะเป็นบาปด้วยนะ เช่นบางท่านบางลูกนั่งสมาธิภาวนาอยู่ดีๆมีผู้ไปส่งเสียงเออะอโวยวายไปทำลายสมาธิของเพื่อนให้ถอนอย่างนี้มันก็เป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละผู้นัน้นจะทำสมาธิอะไรก็ยากลำบากต่อไปนั่นนะกรรมมันนะ่นะมันไปโดนบันดาลเอา อหวนจิตจะสงบหวนฝันมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามาทอนเนี่ยหวนเป็นกรรมนะให้คิดให้เห็นใอ้ไปคุยกันนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเรื่องมันนะส่วนมากมันไม่ได้ปารกถึงธรรมะซ้ำเป็นไรอ่ะการคุยกันเนะ่ยปารกแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรต่ออะไร กูได้มีกิเลสอะไรก็ปล่อยมันออกมามันทําให้เสื่อมผู้หวังความเจริญแกต่ตน่ะไม่ควรที่จะไปสนใจกับเรื่องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เพราะเรื่องของโลกมันไม่มีที่สิ้นสดุดเพียงแต่เรารู้ไว้แล้วแล้วไปไม่ควรเอาไปวิจัยวิจารณ์อะไรต่ออะไร ให้ยุ่งเหยิงไปเพียนจะรู้เรื่องส่วนตัวแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้ในทางธรรมนี่นะ่ะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของตนให้นึกอย่างนั้นความรู้ในทางโลกนะมันไม่เอาตนรอดจากทุกข์ไม่ได้หรอกถ้ามันเอาตัวรอดจากทุกข์ได้คนเราก็ไม่เบียดเบียนกันแลในโลกอันนี้ พอใหญ่เจริญไว้ใหญ่โทมากศึกษาเราเรียนบางคนก็ได้ปริญยมปริญญาไปน่นนะแต่มันก็ยังไม่พ้นจากการเบียดเบียนกันในกันแนสดงว่าความรู้ในทางโลกนะมันไม่สามารถที่จะระงับกิเลสตัณหาโลภโทสะโมหะต่างๆได้ยานั้นอย่าไปสนใจให้มาก ไอ้ความรู้ในทางธรรมนะ่ะมันเป็นเครื่องการรจัดกิเลสได้จริงๆอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเหตุผลนะอย่างการบริจาคทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายกำจัดความโรคความตณีออกจากใจการรักษาศีลคือการสํารวมกายสํารวมวาจา ให้ดีให้ถูกให้เป็นไปตามจิตขาบทปัญญาติเช่นนี้มันก็เป็นอุบายระงับความโกรธไม่มีกำลังกล้าขึ้นในใจถ้าไปโกรธขึ้นมาแล้วพูดอะไรออกไปก็เป็นคำหยาบโลนเป็นคำเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้นะมันก็เป็นโทษแล้วนะ สินวาจานะ่ะมีโทษแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้จักรักษาศีลถือว่าถ้าตนไม่โกหกจะอย่างเดียวเท่านั้นก็มีศีลแล้วการด่าผู้อื่นพูดเสียดสีผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นเรื่องโกหกการพูดคำหยาบ้นต่างๆด่าพ่อร่อแม่กันไม่ถือว่าเป็นคำโกหก เลยถือว่าไม่ผิดศีลข้อนี้นั่นเดียวว่าเข้าใจผิดไปในทั้งหมดนั้นอนุ ร, นรมเข้ากับโมสาวาดคือพูดเทศพูดโปรดนี่ทั้งนั้นนี่ยให้เข้าใจผู้ใดเข้าใจแล้วมันก็ทำ้รวมวาจางตนให้ดี สัมรวมกายให้ดีไม่ทุบไม่ตีผู้อื่นไม่แสดงกิรยิยาหยาบคายต่อผู้อื่นอย่างนี้นะไอความโกรธมันก็บาวางลงบุคคลผู้นั้นแม้จะโกรธก็กดกั้นอยู่ในใจแสดงอาการกายว่าจาให้เป็นปกติออกมาอย่างนี้นะมันเป็นอุบัยระงับความโกรธโดยเหตุผลดังกล่าวมานี้นะี่ยการรักษาศีลให้บริสุทธ์ ทำให้ความโกรธมันน้อยเบาบางลงัตนผู้ใดยังโกรธรุนแรงอยู่นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลไม่ได้สำรวมในศีลให้เข้าใจอย่างนั้นบรรดาพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติทมเบียดเบียนกันห้ามโกรธกันอะไรวันี้มีเยอะแยะในจิตขาบทเป็นอย่างนั้น แล้วปรับโทษไปด้วยอันนีเเ้เราต้องเอาไปคิดไปกรองให้ดีว่าทำสั่งสอนของพระเจ้านะที่เป็นธรรมก็ดีเป็นวินัยก็ดีล้วนแต่เป็นอุบายระงับความโลภความโกรธความหลงนี่ทั้งนั้แเลยหรือว่าระงับปราพโทสะโมหะนี่ มานะทิฏฐิสัพสังกิเลต้นยใหญ่ทั้งหลายมันเบาบางไปแต่สินพี่ะนะเมื่อไปถึงขั้นสมาธิล้วมันกิเลสมันยังหยาบมันหายไปแล้วยังแต่อยากลางสินมันกาจัดกิเล่างหยาบนั่นไปแล้วนี่แล้วก็เคยอธิบายให้ฟังอยู่ ว่าข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องระ ง, งับกิเลสและบาปประทรมต่างๆได้จริงๆไงแต่ขอให้คนผู้ปฏิบัติน่ะเคารพจริงๆไม่ล่วงเกินแม่จะตายก็อยอมตายอยู่ในสิ้นถ้รทำอย่างนี้ได้ก็เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์สิอันเนี่ยแล้วกิเลสยังหยาบนั่นมาก็ระ ง, งับไป กิเลสยังงยาบนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คนเรานั่ยขาดสัตว์รักรทรัพย์กละอมพืชผิดในกรรมกล่าวมุสาวาทเติมสุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโรอินได้หมายเขาว่าอย่างนั้นถ้ากิเลสยังงยาบเ่านั้นระ ง, งับไปแล้วยังอยากกลางนี่ไม่ถึงกับทําบาปอย่างนั้นได้ เป็นแต่เพียงมันมีอารมณ์มานึบมารกโกลนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อน้อยไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆมันทําให้จิตใจสงบลงไม่ได้อกิเลสจางกลางนี้นะดังนั้นผู้ภาวนาเมื่อระ ง, งับกิเลสจะงับได้แล้วมันก็ไม่ลาบากเท่าไหร่แบบนี้นะเรามาเพียรพยายามระ ง, งับกิเลส อย่างกลางนี่ให้มันเบาบางไปเลื่อยเลื่อยเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัตินะต้องให้สำรวจดูตนของตอนถ้าว่าตนยังละกิเลสยังหยาบอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเพียรพยายามระงับกิเลสอย่างนั้นเพียรสํารวมในสิน ให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปเช่นนี้เนีย่ยแต่เมื่อตนยังลากกิเลสจางอาับอันนั้นยังไม่ได้ลแลต่จะไปไปเพียนลากกิเลส่างกลางให้งงบรรลุนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เขาทางป่าเขาทําสวน เขาก็ต้องตัดต้นไม้ใหญ่อะไรลงไปให้หมออแล้วก็เขาเก็บเศษไม้ที่ไฟไหม้ไม่หมดออกไปถ้าไม้ตออะไรไม่ใหญ่กันไปก็คุดออกจากที่ดินแปลงนั้นเรีนเสียแไม้ตอใหญ่ก่อไว้ก้อนคอยพยายาม ขุดรากขอนคนบัญทีหลังอย่างนี้แหละมี่ชั้นใดก็อย่างนั้นการปฏิบัติตกิเลสอย่างหยาบมันเห็นได้ชัดๆเนี่ยเราก็ต้องเพยายามข่มใจละมันเรื่อยๆไปโดยการข่มใจล้วเพ่งกรรมฐานด้วยไม่ใช่ว่าจะข่มใจเอาดื่อยๆเฉยๆเท่านั้นอย่างเดียว กิเลสมันก็หมดไปอย่างนี้มันไม่ได้ที่แนะนํามาว่าให้รู้จักสะกดจิตข่มจิตอันนั้นนะเข า, ว, าว่าเมื่อจิตมันกระด้างกระเดืองมากนะมันไม่ยอมเจริญกรรมฐานเลยอย่างนี้นะนก็ข่มจิตนั้นลงไปเมื่อจิตมันอ่อนกําลังลงไปแล้วนี้มันก็ยอมอะยอมเจริญพระกรรมฐาน ให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการฝึกขนอารมณ์จิตนี่นะเรื่องที่ว่าใช้อุบายทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าใจไม่ใช่ว่ามันมีอุบายอย่างเดียวเท่านั้นนะมันเป็นขั้นตอนไป เมื่อจิตใจมันลงด้วยดีแล้วมันก็ไม่ได้สะกดแบบนี้นะไม่ได้คมนี่มันก็มีแต่ตั้งสติสั้งปัญญประคองไว้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีสติประคองจิตที่สงบอยู่นั้นได้ดีแล้วก็เหมาะที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาได้มันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนนะ แต่ถ้ายังได้คมจิตอยู่จิตยังไม่ยอมสงบรวมตัวเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้เราจะไปใช้ปัญญาพิจารณาอะไรต่ออะไรมันก็ไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่ควรเจริญปัญญาในขณะที่จิตใจยังไม่รวมลงเป็นหนึ่งก็ชาหาอุบายวิธีคมจิตลงไปสะกดจิตลอง จะเรียนภากรรมฐานเป็นเครื่องแก้กิเลสมันลบกวนใจพุ่งเพ้อเหอเฮิเอมอยู่นั่นน่ะอย่างเช่นอย่างที่ว่านี่ถ้าจิตมันถูกราคะครอบงำย่ำายเอามันก็พุ่งซ่านสงบไม่ได้ก็ต้องเพ่งอสุภากรรมฐานในเกิดขึ้นเมื่ออสุภานณิมิตบังเกิดขึ้นในจิตแล้ว จิตก็จะทายความรักความใคร่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นไปเพราะว่าความเข้าใจผิดคิดเห็นีนแรกว่ารูปนั้นสวยงามเสียงนาายั้นไพเราะดีอย่างนี้เจตใจยังเกิดความกวามดักความยินดีขึ้นมาแต่กันเมื่อเพ่งดู โรคกายของตัวเองนี่แหละสะกักก่อนเมื่อเห็นกายตัวเองนี่มันสกปรกไม่สวยไม่งามอะไรวเวลาจิตใจครองอยู่นี่ก็ต้องได้ดูแลต้องรักษาต้องอาบน้ำขัดครายด้วยสบู่ด้วยของหอมโย่อย่างนั้น งันก็จึงไม่ท่งกลิ่นออกไปกระทบจมูกผู้อืน่นนี่โดยอาศัยที่เรารักษาปฏิบัติอยู่นี่แหละแล้วคนก็มาหลงแบบ น, นี้นะเี่กว่าตนสวยตนงามถ้าอยากรู้ว่ามันไม่สวยไม่งามก็อย่าอาบน้ําสะเก็ดก้อนลองดูสิมันจะเป็นอย่างไรนี่นั่นแหละมันจะเห็นความไม่สวยไม่งามมันแบบ น, นี้นะ มันเบนงั้นแต่คนเราไม่มีอุบายสอนใจมันก็เลยไม่ไม่เบื่อไม่น่ายต่อรูปต่อกายอันนี้หลงสำคัญว่าแต่มันสวยมันงามน่าเชยน่าชมอยู่อย่างนั้นแหละเขาเพราะคนเราเปนสนมากประมาทไม่ ไม่ได้เพ่งหาความจริงของรูปกายอันนี้ผู้ที่ท่านเป็นนักปราดท่านมีอินทร์บารมีแก่กล้าแล้วท่านกบเพ่งดูร่างกายอันนี้รู้เห็นตามความเป็นจริงและจะด้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายแรงมากเข้าไปมันก็คลาย ความกำนัดินดีไปเลยเลยมันเป็นงั้นถ้าเพ่งพิจารณาอยู่ไม่ท้อไม่ถอยนย่นี้มันกระทำให้อริยมรรคนั้นมีกำลังแก่กล้าขึ้นสามารถทำลายสังโยชน์สามเบื้องต้นนี่ให้ขาดไปได้สามารถที่จะบรรลุโรกุตระทำในขั้นต้นได้สำหรับผู้มีเพียนเพ่งอยู่ ดังนั้นแน่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำใจของตนให้มันแน่วแน่อย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆการนั่งโงกนั่งง่วงอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกำจัดความง่วงความเหงาออกจากกายจากจิตใจให้ได้ มันก็มาคาอยู่อันนี้อันหนึ่งแหละความง่วเหงาหาวนอนนี่นะทั้งขันไม่ใจ้อยกิเลสเหล่านี้นะอย่าไปอย่าไปละเลยต้องเอาใจจดจ่อเป็นวิเศษส่วนหนึ่งกิเลสประเภทนี้นะเพราะมันมีอยู่จริงๆรนะิงเนีย เวลาเราไปได้นั่งสมาธิภาวนาเนะี่ยมันไม่ง่วงไม่เหงาเนี่ยขั้นพอไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเอาแล้วความว่วงเหงาไม่สามารแต่ไหนมันมันเล่นงานเอาอย่างนั้นวันนี้เราก็อย่าไปอันนี้มันนะอย่าไปตามมันต้องฝืนมันอย่านั้นแหะต้องฝืนมัน อย่าไปตามใจมันถ้าผูใ้ใดไปตามใจกิเลสเหล่านี้แล้วไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะทำความดีเลยราคะตัณหากับความง่วงเหงาหงนอนนี่มันเป็นคู่กันมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดบันเทาราคะตัณหาลงไปแล้วอย่างนี้ ความง่วงเหงาหานอนมันก็ห่างไปเบาไปมันเป็นอย่างนั้นแต่าราคะทันหามยังแรงกล้าอยู่ไปนั่งภาวนาเขามีแต่ง่วงมีแต่เหงามีแต่เซอ่ออยู่งั้นใจตั้งไม่ได้เลยในเวลาเช่นนั้นอ่ะคล้ายๆกับว่ามันสงบดีนจิต มันไม่คิดอะไรมันจะคิดอะไรแล้วมันอยากหลับอ่ะมันมีแต่อยากหลับท่าเดียวมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่คิดอะไรเราสำคัญว่าจิตของตัวเป็นสมาธิบางคนเนะี่ยไม่ใช่ท่านเดียวว่าโมหะสมาธิจิตสงบอยู่ด้วยความหลงอันนั้นน่ะส่วนเรื่งนั้นต้องให้เข้าใจหลักนี้ แต่มันง่วงจริงๆมันทนไม่ไหวทํายังไงก็แก้ไม่ตกก็นอนอธิษฐานใจเมื่อนอนลงไปแล้วอธิษฐานใจว่าเราจะตื่นเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เมื่อเราตื่นนอนวันเราจะลุกขึ้นทําความเพียร น, นี่ต้องอธิษฐานไว้อย่างนี้เมื่ออธิษฐานจิตบ่อยๆเขาเนี้มันมันชินนะ พระธรรมนั่นเนี่ยปุกหมดถึงเวลานั่นมาแล้วมันก็รู้สึกตื่นขึ้นก็ต้องมีนาฬิกาแหละเป็นเครื่องเทียบดูว่าตนนอนนะ่ะตนนอนแล้วตื่นเนี่ยได้ตามประสงค์ไหมตามที่กำหนดไหมก็ดูนาฬิกาอย่างนี้แหละมันก็รู้ได้ ตนตื่นไม่ตรงตามที่อธิษฐานไว้ก็รู้เป็น่ย่างนั้นของมูมนีมีแบบแผนอยู่เหมือนกันนะถ้าเราจะทำตามมีตามได้ไม่ไหวสู้อำนาจ ก, กิเลสไม่ได้มันต้องมีความสัตย์ความจริงนะอธิษฐานใจตั ว, วเราจะนอนสี่ชั่วโมงอย่างนี้นะ เมื่อดูนาฬิกาหลับไปตื่นขึ้นมาได้สีชั่วโมงแล้วไม่นอนอีกแล้วตายเป็นตายเช่นนี้แล้วก็เราก็เอาชนะกิเลสความง่วงเหงาเผ้านอนต่างๆได้จิตใจมันก็เบิกบานผองใสถ้ามันไม่ง่วงแล้วนะกายก็กระพี้กระเป๋าแข็งแรง ไม่โงกไม่ง่วงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเมื่อใจไม่ง่วงแล้วกายมันก็ไม่ง่วงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคอยพากันตั้งอกตั้งใจกระทำความเพียรลงไปโดยความไม่ประมาทไม่มีใครจะทำให้เราได้ความเพียรเหล่านี้นะการละเกยก็ไม่มีใครจะละแทนได้เลย ตัวเองตรงละเองถ้าตนเองไม่ละแล้วกิเลสมันก็ไม่แหงนะ้งเนี่ะไม่หมดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยรบพวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนฟุน้งซ่านรำคาญอยู่นั้นแหละกิเลสฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอยิ่งผู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่นะ่ะกว่ายิ่งระมัดระวังตนให้เข้มงวดขู่ชาวบ้านเขาในชาวบ้านนั้น ความปรพฤก็ยังหย่อนยานอยู่ไปตามเพศตามภูมิของคนเรานั่นเองเนี่ยไอเพศของนักบวชเนี่เป็นเพศที่สะอาดเป็นเพศที่กล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนี่แต่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรต่อไป บันเทิงต่างๆนั่นนะไม่ไปแล้วเนี่ยรกทั้งเจ็ดดูเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอ่ะไอความเพลิดเพลินล่าเริงบันเทิงในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่โอ้มันเพลิดเพลินมาพอแรงนับชาติไม่ท้วนแล้วขอให้พากันคิดดูให้มันเห็นอ หรือว่าเกลียดทางต่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอย่างนี้นะจิตใจมันก็พลิกแพงไปมาอยู่พอแรงแล้วกิเลสเหล่านี้นะ่ะการที่ปล่อยใจให้ไหลไปตามหน้าของกิเลสเหล่านี้นะมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาในชาตินี้มันก็ติดตามมาให้ยินดยียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละอืม เพราะฉะนั้นนะทุกคนในพิจารณาให้มันเห็นผู้มีอินทร์บารมีแก่กล้าสมควรแล้วก็ไม่ควรจะถอยหลังเข้าครองเลยควรเดินก้าวหน้าไปเรื่อยทีเดียวได้ปฏิบัติทำใจสงบระงรับห่างจากกรรมคุณไปแล้วเนี่ยก็ให้มันห่างเรื่อย อย่าให้มันเข้าไปใกล้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่หมายา็ว่าตามรักษาจิตอยู่ทุกเวลานาทีนั่นแหะไปเหมือนเป็นอย่างนั้นรักษาความสงบรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดไว้ให้ได้แล้วก็มันก็จะเป็นทางคนทุกข์ ภายในวัาตาสองสารอันนี้ได้โดยแท้จริงดังสแสดงมา